แต่บัดนี้เราจะเดินเพื่อเราให้มันตื่นเมื่อสติลอยออกดึงกลับมาที่ความรู้สึกสดเพราะเมื่อเราเดินไปเสื้อผ้านี่จะถูไทยกับร่างกายเรามันจะวูบปู๊พอเราเก้าวอย่างนี้ให้จับความรู้สึกตัวสดบนฐานที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่คำถาม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 ดังนั้นเราต้องเล่าให้ความรู้สึกตัวตื่นปัญหาและอุปสรรคที่หนักที่สุดคือความเบื่อความง่วงซึมอยากกลับเข้าไปสู่อุบัติไัยเก่าๆที่เคยชินที่เคยทำาว่า เ, เรานั่งกายตรงอย่างนี้เราจะพบว่าคลื่นสมองของเราเริ่มถูกจัดระเบียบก่อนหน้านี้เรานั่งแบบสงบอยู่กรู่เดียวเท่านั้น เราถูกนำสู่อุปนิสัยเก่าๆเพราะสมองของเราเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่ถูกกําหนดเต็มไปด้วยความขัดแย้งมันจะสะกดเราให้คล้อยตามอุปนิสัยเก่าเช่นความง่วงความระโมหอะไรสารพัดแต่ทันใดที่เราดำรงกายและจิตถูกสัดส่วนของมันเองเราจะพบว่า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 เรานั่งตรงนี้เราเฉยๆอยู่ต่อเมื่อใครโยนงูเข้ามาสักตัวเราจะนั่งอย่างนี้ไม่ได้เราจะรีบลุกกระโดดขึ้นพรวดพราดหายง่วงทันทีภายในของเรามีกระแสความคิดไหลผ่านเลือ้อยไปคลายงูแต่เราจอมจมอยู่กับมันตดวไม่สะดุ้งเพราะไม่รู้ไม่เห็นเป็นการตื่นตาจริงๆ